สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องผาอาถรรพ์เมื่อครั้งเยาว์วัยที่ดงพญาเยน็นเราอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทั้งบ้านมีอาชีพค้าขายรับซื้อของป่าชาวบ้านสวนมากทําไรท่ทําสวนกัน เห็นไรพิกไรละหุงไรขาโพดสวนกล้วยน้อยหน่ามะละกอเป็นต้นญาตถวดของเราเป็นคนเก่าแก่ที่นั่นเรียกว่าคนพื้นนั้นมีเรื่องเก่าๆมากมายเล่าให้พวกเราพี่น้องฟังเรื่องผีผีสางๆมากเป็นพิเศษเรื่องของผีขโมดในดงพญาไฟ ในอดีตวัวสิงสู่อยู่ตามป่าเขาทั้งในถ้าหุบเหวและต้นไม้คอยจ้องจะเอาชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยคนที่เข้าป่าเหล่าสัตว์ต้องล้มตายเพราะโดนงูฉกเสือกัดมานับไม่ท้วนย่าถวดเรียกว่าเสือขบปัวชาวบ้านที่ออกไปทำไร่ทำสวนมักจะโดนผีป่าเล่นงานสิงสู่จนจับไข่นอนสม หนาวสั่นร้องคลางือน่ากลัวแต่พอรุ่งขึ้นก็หายดีวันต่อมาก็จับไข้อีกจนตัวเหลืองหน้าเหลืองไปตามๆกันกว่าจะรู้ว่าเป็นไข้จับสัน่นเพราะโดนยุงกัดก็ล้มตายไปเป็นนับร้อยๆ ย, ยิ่งตอนเกิดสงครามยาควิกนินหายากก็ยิ่งตายกันเป็นไม้ไมร่วงยาติทวดบอกว่าในดงพญาเยน็น มีพูดผีสารพัดสิงสู่ยิ่งอยู่ในถ้ำหรือยอดเขาก็เป็นผีระดับเจ้าพ่อมีอิทธิฤทธิ์ไร้รากาศหน้าเกรงขามโดยยกตัวอย่างหน้าขนวนลุกที่ภูเขาพาเสด็จให้พวกเราฟังเมื่อครั้งรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปโขตราชระยะทางราว260กิกิโลเมตร เริ่มต้นจากหัวลําโพงไปบ้านพาชี90กิโลเมตรและสร้างต่อไปจนถึงโคราชอีก173กิโลเมตรครั้นเริ่มสร้างทางรถไฟสายนี้เมื่อประมาณปี2434ถึงปี2439ช่วงสระบุรีโคราชค่อนข้างทุรักทกุเล น, นักเพราะต้องตัดผ่านภูเขาหลายต่อหลายลูกเต็มทีนายช่าง ต้องสั่งให้ระเบิดภูเขาบ้างเจาะภูเขาบ้างบางแห่งต้องใช้วิธีวางรางลัดล็อกเข้าไปในภูเขาไกลถึงตำบลมวกเหล็กขนาดนั้นทุกทีถึงผาเสด็จพอดีตอนนั้นยังไม่มีชื่อหรอกเป็นแค่ภูเขาลักษณะประหลาดมีหินใหญ่สูงตระห ง, ง่านชะโงกง้มยื่นออกมาดูน่าสะพรึงกลัวมันดานายช่าง ก็ปรึกษากันว่าสมควรระเบิดหินใหญ่นั้นทิ้งเพื่อวางรางรถไฟรุดหน้าเข้าไปสู่เป้าหมายอัศจรรย์นักด้วยจุดชนวนระเบิดหลายครั้งชะโงกผานั้นก็หาได้สะทกสถานไม่บรรดาคนงานตียินเสียงหัวรอกเกลียวกล่าวมาตามหลังเสียงระเบิดกึกก้องสะท้อนสถานไปมาตามหุบเขา ล้วนแต่หน้าสีตัวสันเกิดความงานงกตกประมาอกสันขวัญหายกันทุกคนหัวหน้างานคนงานก็เล่าแจ้งเรื่องนี้ให้พวกนายช่างฟังบางคนหัวราะเยาะแต่บางคนก็เชื่อตกลงตั้งสารเพียงตามีเล่าไหาไก่ขวดเป็นเครื่องเส้นจุดทูบเทียนบวงสรวงต่อเจ้าป่าเจ้าเขา ขอให้กระทำการต่อไปจนสำเร็จรุลวงด้วยเถิดจากนั้นก็ให้จุดชนวนระเบิดอีกครั้งแต่ชะโงกผาหน้าคลั้นคลามนั้นก็หาได้ระเบิดสมใจไม่ในช่างน้อยใหญ่ล้วนแต่หวาดหวัน่นพลันพลึงไปจนหมดสิน้นในตำนานระบุว่าเมื่อเหตุอัศจรรย์นี้ทรงทราบถึงพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงเสด็จขึ้นทอดพระเนตร ทรงพระกรุณาโปรดให้นำตราแผ่นดินไปปักไว้ตรงหินชโงกนั้นแล้วทรงรับสั่งให้นายช่างจุดชนวนระเบิดทันใดสิ่นเสียงสนั่นวันไหวหินชโงกนั้นก็ยังโลดเด่นอยู่ตามเดิมไม่แปรผันพระพุทธเจ้าหลวงทรงอัศจรรย์พระทัยนักตรัสว่าคงมีเทพารักสถิตรักษาอยู่แน่แท้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างศาลพระภูมิที่บริเวณนั้นเป็นการศักดิ์สขึ้นหลังหนึ่งชาวบ้านร้านช่องทั้งปวงจึงพากันเรียกว่าผาเสดตั้งแต่นั้นมาไม่ชา้าทางการรถไฟก็ได้สร้างสถานีรถไฟขึ้นณบริเวณใกล้เคียงนั้นตั้งชื่อว่าสถานีผาเสด จ, จนมาถึงทุกวันนี้อย่าทวดละว่า บนภูเขาแห่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่น้อยรวมทั้งลือผินและเถือนรมำซับซ้อนชอบกล น, นักมีพระทุดงขึ้นไปปักกลดสองหาความสงบวิเวกภิกษุอีกหลายรูปก็ไปจำศีลภาวนานั่งสมาธิอยู่ตามโคนไม้และในโพลงถ้ำเป็นนิสศีลแม่ชีชราหลายคนก็มาถือศีลบาเพ็ญธรรม ถำกลางบรรยากาศร่มรื่นเงยือกเย็นบางคนก็สังขารแตกดับอยู่บนผาเสด็จนั่นเองเราเคยนั่งรถไฟไปกับพ่อแม่พี่น้องผ่านสถานีผาเสด็จก็นึกถึงเรื่องราวยาตถวดเล่าว่าเคยเห็นร่างของแม่ชีลอยวนเวียนอยู่บนหน้าผาผ้าขาวๆปลิวลมสวยัยจนใครๆยกมือไหว้ทุกคนไปและเรื่องราวทั้งหมด